ขนข้อที่เจ็หญิงทําให้เต็มได้ยากเหมือนบาดาลคือบาดาลในมหาสมุทรนั้นย่ำทําให้เต็มได้ยากฉันใดหญิงก็ทําให้เต็มได้ยากไม่อิ่มด้วยเมถุลหนึ่งด้วยการคลอดหนึ่งด้วยการแต่งตัวหนึ่งนี่ก็ว่าอีกนะ ว่าอะไรอ่ะเหมือนบาดาลไม่รู้เข้าใจคําว่าบาดาลไหมคือตามชาโดกตามอะไรพวกเนี้ยมันจะมีเมืองอยู่ใต้สมุทรใต้มหาสมุทรเนี้ยเขาเรียกว่าเมืองบาดานลนะก็มีอะไรอ่ะมีพวกพญา น, นาคหรือว่ามีมีเทพมีอะไรพวกเนี้ยดูแลรักษาอยู่นที่เขาบอกอย่างยี่ก็หมายความว่าว่าสามอย่าง ที่ทําให้เต็มไม่ได้นะเมืองบาดาเนในหมหาสมุทรแสดงว่าโอ้โหมันกว้างใหญ่ไพศาลนะทำให้เต็มได้ยากเพราะมีอยู่สามอย่างที่ว่านี่คือหนึ่งก็คือเรื่องของเมถุนเรื่องของกรรมนั่นเองนะสองเรื่องของการคลอดก็คือการมีบุตรนะสก็คือเรื่องของการแต่งตัวอันนี้ว่าไว้สามอย่าง เรื่องของการมีบุตรเนี่ยการคลอดถ้าพวกเราจําได้เรื่องของนางอะไรนะสุ ป, ประวาสาที่ตั้งท้องตั้งเท่าไหร่อะนานถึงเท่าไหร่อะหปีป่ะกี่ปีมึจําไม่ได้แล้วนั่นแหละหปีเจ็ปีเนี่ยแหละเอ่อถ้าจําไม่ผิดมันจะหปีหวั น, ห, วนหรือยังไงเนี่ยนะ เสร็จแล้วตั้งท้องอยู่ตั้งนานจนกระทั่งเรียกว่ากว่าจะคลอดได้โอ้ลำบากลําบนพุทธเจ้าก็ถามพอพอคลอดแล้วต่หลังคลอดที่บุตรนี่ภายหลังก็มาเป็นพระศิวีนะปรากฏว่าพระุทธเจ้าก็ถามว่าเป็นยังไงเนี่ยตั้งท้องตั้งนานจริงๆคิดว่าน่าจะได้คําตอบก็คือ โอ้โหมันทรมานทุรก ร, รันนะเขาตั้งท้องกันแค่เก้าเดือนก็จะแย่อยู่แล้วนี่ทั้งหกเจ็ดปีตายเลยโอ้โหทรมานเคยพูดเล่นๆกันอยู่เรื่อยอะ่ะก็ใครก็ลองเอาลูกแตงโมมามัดไว้ที่พุงนะนะน่าจะไปไหนก็เอาลูกแตงโมนี่ไปด้วยนะดูซิว่ามันจะโอ้โหมันสนุกไหมอะ่ะจริงๆแล้วมันยากมันลําบากพรูเจ้าถามไปเนี่ยก็คิดว่า ออดูซิจะเป็นคําตอบยังไงปางกอดว่านางสุ ป, ประวาสายบอกโอ้โหยินดีมากเลยยินดีมากที่จะตั้งท้องแล้วก็จะมีบุตรอีกผู้เจ้าถึงบอกโอ้โหไม่ไหวเลยนะเพราะนั้นอันนี้มีสามอย่างดูนอีกอย่างนึงก็คือการแต่งตัวอันเนี้ยเป็นอิทธิภาวะที่ชัดมากนะเพราะฉะนั้นเรื่องการแต่งตัวทุกวันนี้ ไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้การแต่งตัวไม่ต้องไปพูดถึงไอ้อะไรนะไรสายสายเดี่ยวสายคู่สายอะไรไม่ต้องพูดถึงแะนะแต่การแต่งตัวนี่จะเห็นได้เลยว่าไปไกลมากไกลจนไม่รู้จะยังไงแล้ววัยรุ่นทุกวันนี้เรื่องการแต่งตัว น, นี่คือพวกเราเนี่ยมันไม่ได้ไปบ้าเหอไปตามแฟชั่นอะไรเราก็เลย รู้สึกว่ามันไม่เปลี่ยนแปลงอะไรแต่จริงๆในวงการเขานี่โอ้โหมันเปลี่ยนแปลงมากเลยนะการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่ที่ที่สังเกตได้คือการแต่งตัวแม้แต่ในดาราของในเมืองไทยเนี่ยคือเขาถือว่าพวกดาราแฟชั่นดารานักร้องดาราแสดงหนังภาพยนตร์นังต่างเขาจะดูที่พวกนเนี้ย้งพวกไฮโซพวกอะไรต่าง ส่วนใหญ่สังเกตดูได้รับอิทธิพลจากพวกฝรั่งมังค่าพวกต่างประเทศทั้งนั้นเลยแทบจะไม่มีเลยที่อะไรอ่ะเอาละลักการแต่งเนื้อแต่งตัวให้มันสวยงามก็ไม่ว่ากันและยังไงก็ยังมีกิเลสอยู่แต่ยังไงน้อยมันน่าจะมีความเป็นชาตินิยมอยู่บ้างอะใช่ไหมเออแต่งให้มันดูแล้วมันเออเป็นอะไรอ่ะให้เห็นถึงความเป็นไทย ให้เห็นถึงความเป็นอะไรอะบรรพบุรุษที่เรามีมาแต่อันนี้ปรากฏว่าส่วนใหญ่นู้นไปของต่างประเทศหมดนะซึ่งอันนี้อจะมาว่าไหนๆก็มีกิเลสนะแต่อย่า ง, งน้อยก็น่าที่จะมีความเป็นตัวของตัวเองอยู่บ้างนะไม่ใช่ตกไปเป็นทาตทาตทางสังคมทาตทางวัฒนธรรมแม้แต่เรื่องของการ แต่งกายก็ตามอ่ะอันนี้อันนี้ดูนะเป็นข้อที่เจ็ดนะทึใ่ในเนื้อเรื่องนี้ก็ผู้หญิงก็โดนว่านี่ข้อที่เจ็ดข้อที่แปดหญิงทำให้ยินดีได้ยากเหมือนราชราชสถคือยักมักโกรธนิยมฆ่ากินผู้อื่นเป็นอาหารหญิงก็มักโกรธทำให้พอใจได้ยาก เพราะรากสดนี่ก็คือฮะรู้จักไหมเรียกว่าพวกรากสดก็คือยักษ์นั่นเองแต่ตรงยี้เน้นตรงเห็นไหมยักษ์บอกว่านี่เน้นตรงมักโกรดนะเน้นตรงมัดโกรดจริงผู้ชายก็ก็มักโกรดนะก็มีด้วยแต่โดยรวมๆโดยส่วนใหญ่ก็ผู้หญิงมักจะหุดหิด ง่ายนะถือสาง่ายมักจะไม่ช อ, ชอบใจไม่พอใจอะไรแนะมักจะโกรธได้ง่ายกว่าและ น, นี้ก็บอกว่านิยมอันนี้เขาเปรียบเหมือนกับยักษ์ใช่ไหมเนี่ยมักโกรธแล้วก็ น, นิยมฆ่ากินผู้อื่นเป็นอาหารคือเอาผู้อื่นดิคาว่าฆ่ากินเป็นอาหารมาถึงยักษ์เนี่ยกินคนอื่นเป็นอาหารแต่คนที่ขี้โกรธเอาอะไรเป็นอาหารเอาคนอยู่ใกล้ๆทั้งหลายนะี่ย เป็นอาหารนะคือยังไงคือด่าให้หรือว่าว่าให้หรือว่านา่าพูดจาอะไรแรงๆใส่ให้นั่นเนะ่ยใครอยู่ใกล้ก็ก็เสร็จยักไปเพราะฉะนั้นนิสัยอย่างเงี้ยหรืออย่างเงี้ยเป็นความเป็นอิทธิภาวะเป็นนิสัยแบบผู้หญิงเป็นนิสัยที่อ่อนแอเพราะฉะนั้นคนที่มกกักโกรธขี้โกรธนะอย่าไปนึกว่าโหคนนี้ แข็งแรงคนนี้เข้มแข็งไม่ใช่หรอกคนขี้โกดนี่คือคนอ่นอนแออืันนั้นเป็นข้อที่แปดส่วนข้อที่เก้าหญิงนำไปอย่างเดียวเหมือนพยายม <c ười> คือพยายมมีแต่นำชีวิตผู้คนไปหญิงก็มีแต่สร้างความพินาธให้อย่างเดียว <c ười> โอ้โหไม่ต้องโอ้โหหรอก น้วบอกแล้วพยายามฟังให้ได้นะแล้วก็ฟังให้เป็นนะว่าหญิงในที่นี้ก็ฟังให้ออกว่าหมายถึงอิทธิภาวะนะเป็นเนี่ยเป็นความอ่อนแอเป็นความไม่ดีในชีวิตของคนเราว่าในที่นี้บอกว่าหญิงเนี่ยนาไปอย่างเดียวก็คือว่านําแต่ความพินาศนาแต่ความตายเอามาให้เท่านั้นน่ะ ไม่มีอย่างอื่นเลยแล้วต้องเข้าใจนะตอนนี้ผู้เจ้าท่านตรัสกับภิกษุซึ่งภิกษุเนี่ยอยากจะศึกพ่อผู้หญิงเพราะนั้นท่านก็เลยโอ้โหซาดผู้หญิงตูมตามตูมตามเพราะว่าว่าให้ผู้ชายฟังให้ผู้ชายที่เป็นภิกษุเนี่ยฟังเพื่อที่จะโอ้โหบางทีกำลังไปรักกำลังไปชอบกาลังไปหลงไหลจะได้ลดลดไอ้ความหลงไหล ความติดใจความชอบใจลงมานะเพราะนั้นท่านก็ว่าแรงๆให้ฟังเพราะว่าใจที่มันไปผูกพันเนี่ยใจที่มันไปรักใครก็เพราะว่าชอบเพราะอย่างนั้นชอบเพราะอย่างนี้เหมือนกับที่เขาบอกว่าอะไรนะความรักทําให้คนตาบอดซึ่งจริงๆแล้วก็หมายความว่าคือก็จะเห็นแต่ดีไงเห็นแต่มุมดีไอ้มุมเสียของเขาเราก็ไม่เห็นสัก ท, ทีทั้งทั้งที่บางทีก็มีให้เห็นนะนะ แต่มันก็เหมือนกระตาบอดนะมองไม่เห็นเลยไอ้มุมไม่ดีมุมเสียต่างๆก็จะมองแต่มุมที่ตัวเองถูกใจชอบใจแนะมันก็โดนเหมือนก้อนเม็ดเหมือนอะไรมาบดบังตาหมดทําให้ไม่เห็นจุดที่เป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภัยสัทีเพราะฉะนั้น ถ, ถ, ถ, ถ้าถ้าตาสว่างขึ้นตอนนี้พระเจ้าท่านกําลังเหมือนกับเป็นหมอผ่าตัดดวงตาแล้วนะว่าผ่าตัดไอ้ ก, ก้อนอะไรที่ไปบังลูกตาต่างๆเนี่ย ให้เปิดออกให้เห็นด้านมืดบ้างด้านที่โดนบังไว้คือด้านมืดให้เห็นด้านมืดบ้างไม่ใช่จะมองแต่ด้านสว่างด้านที่ตัวเองอยากจะมองนะคนเราเนี่ยถ้าเห็นด้านมืดขึ้นมาโอ้โหคนนี้มีด้านมืดอย่างนี้ยิ่งยี่เหรอซึ่งบางทีด้านมืดอาจจะเยอะกว่าด้านสว่างด้วยซ้ำไปนะคือถ้าคนเรารู้ได้เห็นได้คนเราถึงจะแบบว่าเออมันถึงจะ ไอ้ความรักความชอบมันถึงจะลดลงมาได้นะเอาอนนั้นเป็นข้อที่เท่าไหร่ละ9ใช่ไหมข้อที่สิบหญิงกินไม่เลือกเหมือนไฟ <c ười> คือไฟย่อมเผาไหม้ทุกสิ่งดังนั้นหญิงก็เสพุษทั้งหมดได้ไม่ว่าดีหรือชั่วพูดง่ายว่าไม่เลือกกินไม่เลือกเหมือนคนกินไม่เลือกมีอะไรมาก็กินกินกินกิน แต่ น, นี้ก็เปรียบเหมือนกับผู้หญิงเนี่ยนะจะไปสนใจจะไปชอบผู้ชายพูดง่ายว่าไม่เลือกละจะดีก็ได้จะเลวก็ได้ฉันชอบสอย่างนะฉันก็เอาหมดดังนัจริงๆในบุมตรงข้ามก็ผู้ชายที่มีอิทธิภาวะแบบนี้ก็เหมือนกันแหะจริงๆจะว่าไปผู้ชายยิ่งไม่เลือกยิงก่งแบบผู้หญิงอีกใช่ไหเออ แหมรีบสนับตัวหนุนเลยนะใช่ค่ะทันทีเลยนะรออยู่แล้วใช่ไหมรออยู่แล้วอา่าเนะเพราะว่าโดยโดยสภาพเนี่ยผู้ชายมันจะเรื่องอย่างเนี้ยผู้ชายมันมันมันได้เปรียบกว่างไงเรื่องสรีระเรื่องร่างกายไม่ต้องตั้งท้องเองใช่ไหมไม่ต้องมาเจ็บปวดทรมานอะไรนักอะ่ะ ถ้าเกิดอยุ่งเกี่ยวกันเข้าใช่ไหมเกิดถ้าเกิดมีลูกมีเต้าอะไรขึ้นมาผู้ชายมันสบายมากเลยมันทิ้งได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นผู้ชายเนี่ยจะเที่ยวยุ่งกับใครต่อใครมากง่ายได้ง่ายกว่ามันเป็นสิ่งที่เหมือนเหมือนกับได้เปรียบทางสรีระทางร่างกายแต่ผู้หญิงบางทีอ้าวพลาดไม่ได้สิใช่ไหมโอ้ถ้าพลาดไปสวยสี่ต้องตั้งท้องเองต้อง ออกลูกเองออกลูกก็ยังซีัวทิ้งที่ไหนได้ไงบางทีมันมันมันไม่ง่ายนะแหมคลอดออกมาแล้วโอ้โหจะเที่ยวเอาลูกไปทิ้งไปวางที่โน่นที่นี่มันมันใจมันนั่นน่ะมันไม่ดีอะ่ะเพราะฉะนั้นมันหลายอย่างเลยที่บีบคั้นทําให้โดยสัญชาตญาณจริงๆแล้วอะ่ะผู้หญิงจริงๆแล้วจะง่ายในเรื่องเนี้จริงๆแล้วยากกว่าผู้ชาย แต่ถึงอย่างนั้นก็เหอะในที่นี้นี่พระเจ้ากับตรัสเลยกับบอกมาเลยว่าผู้หญิงนี่ไม่เลือกเพราะผู้หญิงที่ไม่มีความระอายไม่มีความเกรงกลัวนั่นเนี่ยต่อทุกต่อโทษภายอะไรแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นผู้หญิงถึงแบบเป็นโสเภณีเป็นอะไรนี่ถึงเป็นได้อผู้ชายโสเภณีกับผู้หญิงโสเภณีคุณว่าอย่างไงมากกว่ากัน เอาละสิอะไรนะใช่ผู้ชายอะมากขึ้นในปัจจุบันนี้แต่โดยส่วนใหญ่ผู้หญิงมากกว่าเออย่างที่ประตาส่วนไม่ได้เพราะอันนี้ต้องต้องให้รู้ไว้แม้ว่าโดยบอกว่าโดยโดยเนื้อแท้อย่างที่อาตมาบอกมาว่าผู้ชายมันจะมีโอกาสได้ง่ายกว่าก็ตามแต่จากสภาพความเป็นจริงที่ปากฏ ใช่ไหมหิงผู้ชายได้เปรียบแต่ผู้ชายเป็นโสเภณีน้อยนะแต่ผู้หญิงเป็นโสเภณีมากกว่า อ, อันนี้ฝากเป็นแง่คิดไว้สำหรับพวกที่ฟังไม่ค่อยไหว <c oughs> ข้อที่สิบเอ็ดหญิงพัดพาให้ลอยไปไม่เลือกเหมือนแม่น้ำนะคือจะไปจะอะไรต่ออะไ ร, ะะไรยังไงโอ้ยง่าย หรืพูดง่ายว่าใจง่ายนะอันนี้ก็คงคล้ายๆข้ายขอ้อกี็นี้แหละแล้วข้อที่สิบสองประพฤติตามใจตัวเหมือนลมประพฤติตามใจตัวเหมือนลมเออยังไงอะ่ะเออเอาตามใจตัวเองเหมือนลมลมคือลมเนี่ยใครจะจับ ใครจะอะไรยังไงนี่ยากนะไม่ไม่สามารถมันมีสำนวนอยู่สำนวนหนึ่งว่าใครเนี่ยจ ะ, ะผู้าท่านชัยอยู่ว่าจะเอาตะาแข่ะตะาข่ายเนี่ยมาดักจับลมอะ่ะย่อมจับไม่ได้และก็เหมือนใจเนี่ยใจของคนที่ชอบเอาใจ ต, ตามใจตัวเองเนี่ยคนอื่นเ็าจะมาบอกอย่างนั้นบอกอย่างนี้หรือว่าอะไรไม่ได้คนนี้ก็จะเอาแต่ตามตามอารมณ์ เอาตามใจของตัวเองเท่านั้นนั่นแล้วก็เนี่ยผู้หญิงก็มักจะเป็นอย่างนี้คือพูดง่ายว่าตามใจตัวเองง่ายเหมือนหนังที่เมื่อวานพอดีมาม า, มาดูได้หน่อยหนึ่งหนังจีนเรื่องเนี้ยที่เขาฉายอยู่พอดีไม่รู้นะว่านี่เป็นพระเอกนางเอกหรือเปล่าก็ไม่รู้แหลพะพอดีผู้ชายเขาจะขอแต่งงานกับผู้หญิงเสร็จ ผู้หญิงเขาก็บอกผู้ชายคือเขาขอแล้วแหละว่าขอขอแต่งงานด้วยผู้หญิงเขาก็เงยหน้ามองแล้วเขาบอกว่าเขาเป็นคนตามใจตัวเองนะเออก็ก็บอกอย่างนี้ผู้ชายก็โอ้ดีใจใหญ่เลยแต่ที่ผู้หญิงบอกว่าเขาเอาแต่ใจตัวเองนะแต่พอผู้หญิงตอบอย่างนี้ปั๊บผู้ชายดีใจใหญ่เลยบอกโอ้ถ้าตอบอย่างนี้แสดงว่าตกลง ก็ขอแต่งงานไงเขาขอแต่งงานกับผู้หญิงผู้หญิงไม่ได้ตอบว่าแต่งงานด้วยนะแต่ผู้หญิงบอกว่าเขาเอาต่ใจตัวเองนะแต่นี่คือคำตอบแล้วว่าแต่งผู้ชายก็เลยดีใจใหญ่เลยแล้วก็อัตมาไม่ได้ไม่ได้รู้ต่อนะไม่รู้ป่านนี้แต่งงานไปแล้วหรื อ, อยังไม่รู้แต่งไปแล้วใช่ไหมนั่นแหละเดี๋ยวดูต่อไปอันนั้นเป็นข้อที่สิบสอง ส่วนข้อที่13ไม่ทำอะไรให้วิเศษเหมือนเขาเมรุมาศเขาเมรุมาศนี่คือเขาพาสุเมนนั่นเองแต่ในที่นี้เขาเรียกเขาเมรุมาศคือก็ทำตัวเองว่าวิเศษดูมินบุรุษที่เข้าใกล้นั้นว่าต่ำต้อยคือคือหมายถึงว่ายกตัวดูมินผู้ชายดูมิน หมายถึงว่าผู้ชายที่เข้ามาใกล้ชิดหรือว่าอะไรเงี้ยเอจริงๆผู้ชายก็มักจะยอมให้ดูหมินน่นตอนแรกๆ <laughs> ตอนแรกๆกยจะสับจะโขกจะด่าจะว่ายังไงก็ยอมยอมก่อน <laughs> เดี๋ยวไปแข็งข้อทีหลังจะเป็นอย่างนั้นนะนะซึ่งที่ซึ่งที่เปรียบเหมือนกับเขาเขาพาสูเมนเนี่ยเพราะว่าเอเขาเขาพาสูเมนเนี่ย จะเป็นเหมือนกับภูเขาทองเวลาสัตว์ชนิดไหนๆที่อยู่ในภูเขาทองเนี่ยจะเป็นเสือเก้งกวางหรือว่าอะไรก็ตามพอเข้าไปในเขาพะสุมเมนเนี่ยซึ่งเป็นภูเขาทองสัตว์ไม่ว่าชนิดไหนก็ตามคือคือมันเป็นทองไปหมดเลยเนี่ยแสงแดดหรือแสงอะไรที่ส่องมาก็ทําให้แม้แต่ต้นไม้หรือว่าอะไรต่างๆก็กลายเป็นสีทองไปหมดเลยวันสัตว์ทุกชนิดพอเข้าไปอยู่ในหุบเขานี้แล้ว ก็จะกลายเป็นสีทองไปหมดทุกตัวอั น, นเนี้ยเนี่ยที่เขาเปรียบนี้ก็คือหมายถึงว่าเนี่ยว่าว่าไม่ได้ให้ว่าอะไรแตกต่างกันเลยกลายเป็นทุกอย่างเหมือนกันหมดเขาเปรียบเหมือนกันหมดคืออันนี้เปรียบเหมือนกับผู้หญิงเนี่ยยกตัวเองว่าวิเศษนะเหมือนกับเป็นเป็นเขาเมรุมาศเนี่ยที่เรียกว่าตัวเองเนี่ยจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยเหมือนกับทองเนี่ย ส่วนสัตว์อือ่นๆเข้ามาอ น, นี้แล้วก็กลายเป็นสีทองไปหมดแต่ความจริงไม่ใช่คือไม่ใช่ไม่ใช่ทองจริงๆแต่ตัวภูเขาอเป็นทองหมายถึงตัวเองเนี่ยเป็นทองแต่คนอื่นเนี่ยไม่ใช่เพราะฉะนั้นผู้หญิงก็เลยดูหมิน่นดูหมิน่นคนอื่นๆว่าโอ้จริงๆแล้วก็สู้ไม่ได้นะสู้ผู้หญิงไม่ได้อนี่ก็ข้อที่สิบสี่ ผลิตผลเป็นนิดเหมือนต้นไม้มีพิษคือบุรุษใดเสพการมเพราะไม่รู้จักโทษภัยการย่ำฆ่าบุรุษนั้นเสียดุดดังบริโภคผลไม้ที่มีพิษฉะนั้นคือตรงนี้หมายความว่าผู้หญิงเป็นเหมือนกับกับต้นไม้หรือผลไม้ที่มีพิษนะบุรุษคนไหนใครเนี่ยไปยุ่งด้วย นะไปคบหาด้วยหรือว่าไปเสพกามด้วยนะก็จะต้องได้รับทุกจะต้องได้รับโทษภัยเพราะผู้หญิงนะกามนั้นก็จะฆ่าบุรุษนั้นเสียอันนี้พระเจ้าท่านก็จัดเอาไว้อย่างนี้ส่วนข้อที่15หญิงทั้งหลายเป็นผู้ ก, กอบกรรมรัตนะทั้งหลายไว้ในมือจนนับไม่ถ้วนทําโพกคสมบัติในเรือนให้พินาศ คือหญิงทั้งหลายย่อมโลภในสมบัติที่สามีหามาได้ด้วยความเหนื่อยยากแล้วนำไปใช้ใจ่ายให้สิ้นเปลืองฉิบหายเสียอันนี้อันนี้ง่ายเพราะว่าบางทีอาตมามักจะชอบพูดเองเหมือนกันคือชอบพูดว่าอันเนี้ยนิสัยผู้หญิงมีอยู่อย่างบางทีคือบ้าสมบัติเชอา บ, บ้าสมบัติหอบหวงสมบัติเอาไว้ นะบางทีนี่ยุ่งเกี่ยวกับบุรุษหรือว่าแต่งงานไปเนี่ยอา้าวบางทีไม่ใจรักเขาเท่าไหร่หรอกไม่จริงหรอกแต่เขามีทรัพย์เขามีสมบัติก็อยากจะได้อยากจะนั้นไว้หรือแม่บางทีแต่งไปกับคนจนก็ตามอา้าวแต่ว่าพอสามีไปหางานทำมีทรัพย์สินเงินทองมาเก็บไว้หมดเหมือนกับอะไรอะ เป็นหลักประกันความปลอดภัยใช่เพราะว่าไม่ไว้ใจอ่ะเผื่อผู้ชายเกิดไปมีน้อยหรือว่าไปมีบ้านใหม่อะไรเงี้ยอย่างน้อยก็มีทรัพย์เอาไว้ยึดยึดไว้อะไรอ่ะไว้เลี้ยงดูไว้ใช้จ่ายได้ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ข้อนี้ก็คือเรื่องของความโลภ ของผู้หญิงที่มักจะมีอันนี้อันนี้แน่นอนเลยล่ละเรื่องโรคอันนี้หนีไม่พ้นเลยเพราะนั้นสมัยก่อนเนี่ยเขาถึงต้องยอมยอมให้ผู้หญิงเป็นใหญ่ในบ้านผู้ชายเนี่ยน ะ, อะยอมให้ผู้หญิงเป็นใหญ่ในบ้านพอเวลามีทรัพย์สินเงินทองอะไรหามาได้ต้องยกให้ผู้หญิงหรือไม่ยกให้แล้วมีเรื่อง มันต้องยกให้ผู้หญิงเป็นคนดูแลอาจจะใช้จ่ายจะอะไรยังไงอะ่ะก็บอกผู้หญิงแล้วผู้หญิงเขาก็จัดการให้อ่าจริงๆด้วยต้องยกให้นะทำไมยกให้บ้านนั้นมีปัญหา <c oughs> ดูแลไปหมดละภายในบ้านนี่ผู้หญิงดูแลหมดอาหารการกินเขา้าของเครื่องใช้อะไรการจะจับจ่ายอะไรผู้ชายเพียงแต่บางทีบอกอะ่ะ บ, บอกอย่างนั้นบอกอย่างนี้แต่เงินนี่ต้องอยู่ในกำมือของผู้หญิงพูดง่ายเป็นแผนการคลัง ผู้หญิงเนี่ยในบ้านนี่ต้องต้องกลุมไว้เลยอืส่วนอำนาจใช้สอยไม่ผู้ชายก็มีสิทธิ์ใช่ไหมเพราะก็ เ, เป็นเจ้าบ้านเขาอาจจะพูดเขาอาจจะบอกอย่างนั้นอย่างนี้แต่คนที่กลุ้มไว้ในมือเนี่ยคือผู้หญิงจะต้องกลุ้มเอาไว้เพราะถ้าผู้ชายบางทีผู้ชายสุรุย่ยสุร่ายนะใช้หมดง่ายเพราะฉนั้นผู้หญิงเขาไม่ยอมหรอกเพราะนั้นเขาต้องกลุ้มเอาไว้ก่อนนะก็ถือว่าอันนี้คือหัวใจต้องกลุ้มเอาไว้ อันนั้นเป็นข้อที่สิบห้าส่วนข้อที่สิบหกหญิงนี้มีมารยาเหมือนพยับแดดเป็นยังไงเนี่ยนี่เข้าใจยากเป็นยังไงเหมือนพยับแดดมันร้อนหรือไงระยิบระยับมีมารยาออมีมารยานะมีมานยาเหมือนพยับแดดแหมพิ้วเลยนะโอ้โหดูแล้วอะไรอ่ะ พยับไม่รู้ใครเข้าใจคำว่าพยับแดด ม, ม, มันดูแล้วมันเป็นคลื่นเลยนะเออเป็นคลื่ น, นพิวเลยโอโ้เวลาแสงแดดส่องมาให้เห็นนีบางทีเหมือนกับอะไรเลยแ ะ, ะยิบระยับเลยเขาเรียกพยับแดดนะมีมารยาก็หมายถึงว่าโอ้นะหลอกลอกอ่อเกงนะทำให้ผู้ชายหลงไหลนะอันนี้นะข้อที่สิบส่วนข้อที่ส7็ หญิงเป็นวัตถุที่ตั้งแห่งความเศร้าโศกอ้าวเป็นยังไงอะหญิงเป็นวัตถุที่ตั้งแห่งความเศร้าโศกหมายถึงว่าอะไรร้องไห้เก่งเหรอชอบร้องไห้หรอหอือเปล่ า, งงนะ า, า, าผู้หญิงเนี่ยอาจจะอย่างนั้นก็ได้นะเพราะอาตมารู้สึกว่าโอ้จริงๆด้วยผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่ใจน้อยหรอกมันอะไรอ่ะ บางทีมันเจอเรื่องเจออะไรอะนะคือได้ยินบ่อยอะ่ะแม้แต่บางทีพวกเด็กพวกเราเองอะ่ะมาตรวจบันทึกเนี่ยพวกเด็กสมาธิขาก็อบอกถ้าไม่ร้องไห้แล้วเนี่ยมันเหมือนกับไม่ไม่หายอะไรอะ่ะอึดอัดไม่หายอะไรสักทีพอร้องไห้ไปแล้วรู้สึกแหมสบายแหมทำไมกาต้องร้องไห้ถึงจะสบายถ้าไม่ร้องไห้แล้วมไม่สบาย คื อ, ค, อคือถ้าบอกเขาว่าให้อะไรนะเออให้อดทนให้เข้มแข็งให้นึกถึงไอ้โนโ้ตไอน้นี่แล้วเราก็จะได้คลายเศร้าโศกไปเนี่ยบอกได้แต่แต่เวลาเขาไปทำเนี่ยเขารู้สึกว่ามันยังอะไรคาอยู่สักอย่างต้องให้น้ําตาไหลอะ่ะถึงจะรู้สึกว่าเออเหมือนกับมันออกไปอะไรเงี้ยเออเหมือนกับโลง่งอะไรอย่างงี้อาจจะบาก็ไม่รู้ ม, รมีอุปทานอะไรไว้ก็ไม่รู้มันถึงต้องเป็นอย่างนั้น เอาแล้วบางคนก็เป็นอย่างนั้นเลยจริงๆพอมามีอุปทานแล้วออมีน้ําตาเป็นเพื่อนเหรอ <c oughs> อ๋อผู้หญิงมีน้ําตาเป็นเพื่อนเหรอ <c oughs> <c oughs> อะไรอ่ะเราบอกว่าความรักอะไรนะที่ที่ตรงเขตสิขมมาเอนะี่ยความรักคือสวนดอกไม้ที่รสด้วยนัำตา นั่นแหละเนี่ยสงสัยคนคิดนี่คงเป็นผู้หญิงหรือเปล่าไม่รู้ความรัก <c oughs> เพราะฉะนั้นอันนี้ระวังจริงๆแล้วไม่จําเป็นหรอกนะแต่ตรงข้ามเลยถ้าเราเกิดโอ้โหประทับใจอะไรแล้วมันแหนน้ําตาหลั่งไหลออกมาอะไรด้วยความตื่นตาด้วยอะไรเอออันนั้นไม่อันนั้นเขาไม่เรียกว่าเศร้านะเศร้านี่หมายถึงว่าเราต้องเสียใจเราต้องทุกข์ใจแล้วเราก็ร้องไห้อันนี้คือเศร้า แต่ความประทับใจความที่รู้สึกโอ้โหแหมอย่างนี้มันดีเหลือเกินอย่างนี้มันมันน่าชื่นชมมันน่าที่จะอะไรจดจำเอาไว้ชั่วชีวิตเราอะไรอย่างนี้แหมน้ำตามันไหลออกมาอันนี้อันนี้เป็นปิตินะอันนี้ไม่ใช่เป็นความเศร้ามันต้องแยกให้ออกบางคนเขาบอกว่าอะไรนะหัวเราะทั้งน้าตา หัวเราะทางน้ำตาไม่รู้เคยจะยีนเนื้อปะฮะไม่เคยเหร อ, อ, อหัวเราะทางน้ำตาเนี่ยมันจะแตกต่างกันออาข้อที่สิบแปดคราวนี้โอ้อันนี้สั้นๆเองนะเขาบอกว่าเขาเขาแค่เนี้ยว่าเป็นโรคอืสั้นๆแค่เนี้ยข้อที่สิบแปดแสดงว่าอะไรอ่ะ ไม่ค่อยแข็งแรงไม่รู้เพราะไม่ค่อยออกกําลังกายหรือเปล่าแต่ไม่เหมือนเด็กเรานะโอ้โหหนวกหูจะเช้าเลยห <c oughs> นวกหูจะเช้าหมืดเลยอยกที่หนึ่งยกที่สองยกที่สามมาเรอยู่เรื่อยนี่ไม่รู้เรื่องช้อนนี่หมดยกไปหรือยังไม่รู้ <c oughs> ช้อนอยังเหลืออีกเท่าไหร่ <c oughs> คือเนี่ยไม่รู้อ่ะ ม, มีช้อนอยู่ในล็อกเกอร์เต็มเลยอะเลยง ล, ล, งลงทั่วทั้งหมดเลยใช่ไหม เออต้องเท่าไหร่ไม่รู้อ๋อสามสิบกับคันคันละห้ายกไม่รู้พวกเราเข้าใจป่าเนี่ยคันละห้ายกคือเขาต้องต้องอบริหารร่างกายเนี่ยนับเท่าไหร่นะหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ถือว่าหนึ่งยกลุกลุกหังๆอะไรของเขาแล้วแต่เนะเออเพราะั้นะช้อนคันหนึ่งเนี่ยห้ายกแต่เนี่ยจะแข็งแรงจะไม่ค่อยเป็นโรคอ่ะ แต่บางคนเห็นได้ยินบน่นโอ้ยเมื่อยจังเลยแต่ก็สนุกนะถ้าสมมุติว่าเข้าใจว่าถือว่าเออเป็นการลงโทษที่ทำให้เราได้ออกกำลังกายมันก็ทำให้แข็งแรงจะได้ไม่ค่อยเป็นโรคภัยอะไรแต่ น, นี่ก็จริงนะเพราะไม่รู้สิรู้สึกว่าบางทีผู้หญิงส่วนใหญ่อะถ้าเทียบกับผู้ชายออผู้ชายจะแข็งแรงกว่าไม่ได้หมายความว่าผู้ชายไม่เป็นโรคนะ ผู้ชายก็เป็นแต่เราเทียบอัตราส่วนส่วนใหญ่อะ